พระไตรปิฎกเล่มที่10ปพระสูตที่หชนะวัชภะสูตรสมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณพระตำหนักในบ้านนาทิกะสมัยนั้นพระผู้มีพระภาคทรงพยากรณ์พวกชนผู้บูชาเลื่อมใสในพระพุทธเจ้าพระธรรมและพระสงฆ์เป็นสรณะเป็นผู้มีศีลปฏิบัติตามคำสอนของพระผู้มีพระภาคซึ่งทำกาละคือสิ้นชีวิต ล่วงไปนานแล้วทรงพยากรณ์แก่ชนทั้งหลายว่าคนโน้นเกิดณที่โน้นเกิดในเมืองใดทรงตรัสพยากรณ์ว่าชาวบ้านนาที่กัดจำนวนหนึ่งทำกาละคืเสิ้นชีวิตแล้วสำเร็จเป็นพระอนาคามีเกิดเป็นอบปฏิกักในสวรรค์ชั้นสุดทาวาสและจะบรรลุอรหัตผลในที่นั้นไม่กลับมาเกิดในโลกนี้อีก ชาวบ้านนาธิกะจำนวนหนึ่งทำกาละแล้วสำเร็จเป็นพระสกธาคามีจะกลับมาเกิดอีกครั้งเดียวชาวบ้านนาทิกะจำนวนหนึ่งทำกาละแล้วสำเร็จเป็นพระโสดาบันเป็นผู้เที่ยงจะตรัสรู้เป็นเบื้องหน้าชาวบ้านนาทิกะผู้บูชาเลื่อมใสในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ได้สนับข่าวนั้นจึงปลื้มใจเบิกบานเกิดปีติและโสมนัส เพราะได้ฟังคำพยากรณของพระผู้มีพระภาคครั้งนั้นแหละท่านพระอานนท์มีความดําริว่ามีชาวมคตผู้เลื่อมใสจำนวนมากที่สิ้นชีวิตล่วงไปนานแล้วรวมถึงพระเจ้าแผ่นดินมคตผู้ทรงพระนามว่าพิมพิสารทรงดำรงอยู่ในธรรมทรงเลื่อมใสในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ทรงทำให้บริบูรณ์ในศีลทั้งหลายเสดสวรรคตแล้ว เหตุใดพระผู้มีพระภาคไม่ทรงพยากรถึงความเป็นไปของพวกชาวมคตทั้งหลายการพยากรจะพึงสําเร็จประโยชน์ชนเป็นอันมากจะพึงเลื่อมใสจะเป็นเหตุให้ไปสู่สุคติก็ถ้าพระผู้มีพระภาคไม่ทรงพยากรพวกชาวมคตที่ยังมีชีวิตอยู่จะพึงน้อยใจว่าทำไมพระผู้มีพระภาคจึงไม่ทรงพยากรพวกเขา ครั้นเวลาใกล้รุง่งพระอานนท์ได้เข้าไปเฝ้ากราบทูลถามถึงเหตุที่ส่งพยากรชาวบ้านนาทิกะแต่เหตุใดไม่ส่งพยากรชาวมคตแล้วลูกจาตอาสนะถวายบังคมทำประทักศิลเลาหลีกไปครั้นเวลาเย็นท่านพระอานนท์เข้าเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับพระผู้มีพระภาคตรัสว่าดูก่อนอานนท์ข้อที่เธอปราบชาวมคต เพราะข้อนั้นเป็นเหตุภายหลังกลับจากบินทบาตถึงที่พักแล้วเราปรารภถึงตั้งใจมณสิการเราได้เห็นแล้วว่าผู้เจริญเหล่านั้นมีคติเป็นอย่างไรมีวกหน้าเป็นอย่างไรอานนนลำดับนั้นมียักเปล่งเสียงให้ได้ยินว่าข้าแต่พระผู้มีพระภาคข้าพระพุทธเจ้ามีนามวชนะวสภะอานน์ เธอเคยได้ฟังชื่อว่าชนะวสภามาก่อนหรือไม่ข้าพระองค์ไม่ทราบไม่เคยได้ฟังมาก่อนเลยอันหนึง่งข้าพระองค์ขนลูกชูชันเพราะได้ฟังชื่อว่าชนะวสภะข้าพระองค์คิดว่าผู้ที่มีนามบัญญัติว่าชนะวสภ์เห็นปานนี้นั้นไม่ใช่ยักษ์ต่ำๆเป็นแน่คำว่ายักษ์ในที่นี้หมายถึงเทวดาชั้นจตุมหาราช โดยปกติคำว่ายักษ์แปลได้หลายอย่างเช่นสัตว์เทพพระขีนาศพรากสดคือยักษ์ร้ายสุดแต่ความหมายในที่นั้นๆอานนท์ในระหว่างที่มีเสียงปรากฏยักษ์มีผิวพันธุ์ผุดผ่องยิ่งปรากฏ ต, ต่อหน้าเราแม้ครั้งที่สองก็เปล่งเสียงให้ได้ยินว่าข้าแต่พระผู้มีพระภาคข้าพระพุทธเจ้ามีนามว่า พิมพิสารครั้งที่เจ็ดนี้ข้าพระพุทธเจ้าเข้าถึงความเป็นสหายของท้าวเวสสวรร์มหาราชข้าพระพุทธเจ้านั้นจุติจากนี้แล้วคือตายจากภพนี้แล้วสามารถเป็นพระราชาในหมู่มนุษย์จุติแปล ว, ว่าตายจุติจากสวรรค์มาเกิดเป็นมนุษย์ก็คือตายจากการเป็นเทวดาลงมาเกิดเป็นมนุษย์ซึ่งคนส่วนใหญ่มักแปลาคานี้ผิด พระสูตรนี้พระเจ้าพิมพิสารสวรรคตแล้วไปเกิดเป็นเทพชั้นสูงแต่ในพระสูตรใช้คำเรียกว่ายักษ์ซึ่งมีชื่อว่าชนะวัพะแปลว่าผู้เจริญที่สุดในหมู่ชนท่านชนวัพภะได้กราบทูลต่อพระกู้มีพระภาคต่อไปว่าข้าพระพุทธเจ้าเคลื่อนจากเทวโลกนี้เจ็ดครั้งจากมนุษยโลกนั้นเจ็ครั้งรวมท่องเที่ยวอยู่สิบสี่ครั้ง ยอมรู้จักพบที่ข้าพระพุทธเจ้าเคยอยู่อาศัยในการก่อนข้าแต่พระองค์พู้เจริญข้าพระพุทธเจ้ามีความไม่ตกต่าทราบชัดมานานวันถึงความไม่ตกต่าอันหนึง่งข้าพระพุทธเจ้าตั้งความหวังไว้เพื่อความเป็นพระสกทาคามีข้อที่ข้าพระพุทธเจ้ารู้การบรรลุคุณวิเศษอันโอรา น, นี้นั้นไม่เว้นจากศาสนาของพระองค์ ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญตั้งแต่วันที่ข้าพระพุทธเจ้าเลื่อมใสในพระผู้มีพระภาคอย่างยิ่งนั้นเป็นต้นมาข้าพระพุทธเจ้าไม่ตกต่ำทราบชัดมานานวันถึงความไม่ตกต่ำอันหนึ่งข้าพระพุทธเจ้าตั้งความหวังไว้เพื่อความเป็นพระสกทาคามียดังจะกราบทูลให้ทรงทราบข้าพระพุทธเจ้าถูกท้าวเวสวรรณมหาราช ส่งไปในสำนัก ข, ของท้าววิรุณหกมหาราชด้วยกรณีกิจบางอย่างในระหว่างทางข้าพระพุทธเจ้าได้เห็นพระผู้มีพระภาคส่งปรารอบชาวมคตผู้เลื่อมใสในพระรัตนตรัยข้าพระพุทธเจ้าคิดว่าเราจักเฝ้าจักกราบทูลข้อนี้แด่พระผู้มีพระภาคนานมาแล้วในวันอุโบโสถที่สิหในราตรีวันเพญวัสุปนายิกา เทวดาชั้นดาวดึงทั้งสิ้นนั่งประชุมกันในสุธรรมมาสภาเทพบริษัทมากมายนั่งอยู่โดยรอบและเท้าจาตุมหาราชนั่งอยู่ในสีทิศเทวดาเหล่านั้นประพฤติพรหมจรรย์นในพระผู้มีพระภาคแล้วบังเกิดในพบดาวดึงเมื่อกี้นี้ย่อมไพรโรดล่วงเทวดาเหล่าอื่นด้วยวันนะและยศในว่าเพราะเหตุนั้นเทวดาชั้นดาวดึง จึงปลื้มใจเบิกบานเกิดปีติและโสมนัสว่าท่านผู้เจริญทั้งหลายที่พยากายย่อมบริบูรณ์หนออสุรกายย่อมเสื่อมไปในข้อนี้หมายถึงหมู่เทพเจริญเต็มที่หมู่อสูรเสื่อมถอยลงความหมายว่าในสมัยที่คนทำความดีมากเทวโลกทั้งหกชั้นจะเต็มบริบูรณ์อบายจะว่าง แต่สมัยที่คนทําความชั่วมากอบายจะเต็มบริบูรณ์เทวโลกจะว่างครั้งนั้นแหละเท้าสักก์กจอมเทพทรงทราบความบันเทิงใจของเทวดาชั้นดาวดึงแล้วจึงทรงบันเทิงตามด้วยคถาเหล่านี้ความว่าท่านผู้เจริญทั้งหลายเทวดาชั้นดาวดึงพร้อมกับพระอินย่อมบันเทิงใจหนอ ถวายนำมัสการพระตถาคตและความที่พระธรรมเป็นธรรมดีเห็นเทวดาผู้ใหม่หมผู้มีวันณนะมียศประพฤติปรหมจรรย์ในพระสุคตแล้วมาณที่นี้เทวดาเหล่านั้นเป็นสาวกของพระพุทธเจ้าผู้ทรงปัญญาอันกว้างขวางบรรลุคุณวิเศษแล้วย่อมรุ่งเรืองล่วงเทวดาเหล่าอื่นณนะที่นี้ด้วยวันณนะด้วยยศและอายุ เทวดาชั้นดาวดึงพร้อมกับพระอินเห็นเช่นนี้ย่อมชื่นบานถวายนมัสการพระตถาคตและความที่พระธรรมเป็นธรรมดีข้าแต่พระองค์ผู้เจริญครั้งนั้นแลแสงสว่างอย่างยิ่งเกิดในทิศอุดรโอภาสปรากฏล่วงเทวานุภาพของเทวดาทั้งหลายครั้งนั้นท้าวสักกะจอมเทพจึงตรัสเรียกเทวดาชั้นดาวดึงมาว่า ดูก่อนท่านผู้นิรุ์ทั้งหลายนิมิตรปรากฏแสงสว่างเกิดมีโอภาษปรากฏนี้เป็นบุพานิมิตเพื่อความปรากฏของครมครั้งนั้นแหละเทวดาชั้นดาวดึงและเท้าจาตุมหาราชกล่าวกันว่าพวกเราจะรู้โอภาษนั้นเมื่อรู้ชัดผลที่ปรากฏแล้วจึงจะไป ทันใดนั้นสนังกุมารพรหมได้ปรากฏกายนิรมิตกายหยาบให้ได้เห็นซึ่งตามปกติเทวดาชั้นดาวดึงไม่สามารถเห็นกายละเอียดของพระพรหมได้เหล่าเทวดาเกิดความเลื่อมใสครั้นทรงทราบความเลื่อมใสของพวกเทพชั้นดาวดึงแล้วจึงทรงอนุมโมทนาด้วยคาถาเหล่านี้ว่าดูก่อนท่านผู้เจริญเทวดาชั้นดาวดึงพร้อมด้วยพระอิน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 เทวดาชั้นดาวดึงพร้อมด้วยพระอินเห็นเช่นนี้แล้วย่อมยินดีถวายนมส ก, การพระตถาคตและความที่พระธรรมเป็นธรรมดีข้าแต่พระองค์ผู้เจริญสนั่งกุมารพรมได้กล่าวเนื้อความนี้เสียงของสนังกุมารพรม้มผู้กล่าวเนื้อความนี้ประกอบด้วยองค์8ปประการคือแจ่มใสชัดเจนนุ่มนวล น, น่าฟังกลมกล่อ ม, มไม่พราก ลึกมีกังวาลค้าแต่พระองค์ผู้เจริญเสียงของผู้ใดประกอบด้วยองค์แปดประการอย่างนี้ผู้นั้นท่านเรียกว่ามีเสียงดังเสียงพรหมครั้งนั้นสนางกุมารพรหมนิรมิตอัตภาพสาสาอัตภาพนั่งอยู่บนบันลังของเทวดาชั้นดาวดึงทุกๆบันลังแล้วเรียกเทวดาชั้นดาวดึงมากล่าวว่า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 นับถือพระสงฆ์เป็นที่พึ่งบำเพ็ญศีลให้บริบูรณ์ชนเหล่านั้นเบื้องหน้าแต่ตายเพราะกายแตกบางพวกถึงความเป็นสหายของเทวดาชั้นปารณิมิตสวัตวนนมมาาวตีบางพวกถึงชั้นนิมมานรดีบางพวกถึงชั้นดุสิตบางพวกถึงชั้นยามะบางพวกถึงชั้นดาวดึงบางพวกถึงชั้นจตุมหาราช เหล่าใดยังกายให้บริบูรณ์บำเพ็ญต่ำกว่าเขาทั้งหมดเหล่านั้นย่อมถึงหมู่แห่งเทพคนทันค้าแต่พระองค์ผู้เจริญครั้งนั้นแลสนางกุมารพรมกลับคืนตนเป็นผู้เดียวแล้วนั่งบนบันลังของเท้าสักกะจอมเทพแล้วเรียกเหล่าเทวดาชั้นดาวดึงมากล่าวว่าท่านผู้เจริญทั้งหลายอิทธิบาศีเหล่านี้อันพระผู้มีพระภาค ผู้รู้ผู้เห็นเป็นอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นทรงบัญญัติไว้แล้วเพื่อทำริษให้มากเพื่อความทำริษให้วิเศษเพื่อแสดงริษได้อิทิบาสีเป็นชนไหนภิกษุในพระธรรมวินัยนี้ 1. เจริญอิทธิบาทคือฉันทะสมาธิประธานสังขารสมาธิที่เกิดจากฉันทะและความเพียรสร้างสรรค์ 2.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 และความเพียรสร้างสรรค์ประทานสังขารได้แก่สังขารซึ่งเป็นประธานเป็นชื่อหนึ่งของสมภประธานที่ให้สำเร็จกิจ4ประการคือ 1. สังวรประธาน 2. ปหานประธาน 3. ภาวนาประธาน 4. อนุรักษณาประธาน สมณะหรือพรามเหล่าใดเหล่าหนึง่งในอดีตการอนาคตการปัจจุบันการแสดงฤทธิ์ได้หลายอย่างสมณะหรือพรามเหล่านั้นทั้งหมดทำได้เพรา ะ, จะเจริญเพราะทำให้มากซึ่งอิทิบาสีเหล่านี้เทวดาชั้นดาวดึงทั้งหลายแม้เรามีฤทธิ์มากอย่างนี้มีอนุภาพอย่างนี้ก็เพรา ะ, จะเจริญเพราะทำให้มากซึ่งอิทิบาศีเหล่านี้แหล โอกาสสามโอกาสในที่นี้หมายถึงภาวะที่ปลอดจากกิเลส ต, ต่างๆได้แก่รูปฌานสี่อรูปฌานสี่สัญญาเวท้ยิตะนิโรธหนึ่งและอรหัตตมรรคแต่ละภาวะก็ปลอดจากกิเลส ต, ต่างกันเช่นปฐมฌานปลอดจากนิวรรคห้าจตุตตะฌานปลอดจากสุขและทุกิยีการบรรลุโอกาสที่หนึ่ง หมายถึงการบรรลุปฐมมชานวิธีบรรลุโอกาสที่สองหมายถึงการบรรลุจตุตถาชานวิธีการบรรลุโอกาสที่สามหมายถึงการบรรลุอรหัตตมัชชานังกุมารพรมได้กล่าวอีกว่าดูก่อนท่านผู้เจริญทั้งหลายการบรรลุโอกาสสามประการที่พระผู้มีพระภาคผู้ตรัสรู้แล้วเป็นชนั ดูก่อนท่านผู้เจริญทั้งหลายบุคคลบางคนในโลกนี้อย่างเกี่ยวข้องด้วยกามครุกคลีด้วยอกุศลละธรรมอยู่สมัยอื่นเขาฟังธรรมะของพระอริยะเจ้ามานัสิการโดยแยบคายปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมไม่เกี่ยวข้องด้วยกามไม่ครุกคลีด้วยอกุศลละธรรมอยู่สุขย่อมเกิดแก่เขาโสมนัสอันยิ่งกว่าสุขก็เกิดขึ้น ดุดความปราโมทเกิดต่อจากความบันเทิงใจฉะนั้นท่านผู้เจริญทั้งหลายนี้เป็นประการที่หนึ่งอีประการหนึ่งกา ย, ยสังขารแปลว่าสภาพรุงแต่งกายคือลมหายใจเข้าออกวจีสังขารแปลว่าสภาพรุงแต่งวาจาคือวิตกวิจารจิตตสังขาร แปลว่าสภาพรุงแต่งจิตคือเวทนาสัญญากายสังขารวาจีสังขารจิตตะสังขารส่วนหยาบของคนบางคนในโลกนี้ยังไม่สงบระงับสมัยอื่นเขาฟังธรรมของพระอริยะเจ้ามนานสิการโดยแยบคายปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมอยู่กายสังขารวาจีสังขารจิตตะสังขาร ที่หยาบหยาบย่อมสงบระ ง, งับสุขย่อมเกิดแก่เขาสมณะอันยิ่งกว่าสุขก็เกิดขึ้นท่านผู้เจริญทั้งหลายนี้เป็นประการที่สองอีกประการหนึ่งคนบางคนในโลกนี้ไม่รู้ชัดตามเป็นจริงว่านี้กุศลอกุศล น, นี้โทษไม่มีโทษนี้ควรเสพไม่ควรเสพนี้เลวประณีต นี้เป็นส่วนธรรมดำธรรมขาวสมัยอื่นเขาฟังธรรมะของพระอริยะเจ้ามนสิการโดยแยบคายปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมย่อมรู้ชัดตามเป็นจริงว่านิกุศอกุศลเมื่อเขารู้เห็นอย่างนี้ย่อมละอวิชชาได้ขาดวิชาย่อมเกิดขึ้นเพราะปราศจากอาวิชชาเพราะวิชชาเกิดขึ้นสุขย่อมเกิดขึ้นแก่เขา นี้เป็นประการที่สามท่านผู้เจริญทั้งหลายการบรรลุโอกาสสามประการเหล่านี้แลอันพระผู้มีพระภาคผู้รู้ผู้เห็นเป็นพระอระหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นตรัสรู้แล้วเพื่อบรรลุถึงความสุขดูก่อนท่านผู้เจริญทั้งหลายสติปัฏฐานสีน่นี้อันพระผู้มีพระภาค ผู้รู้ผู้เห็นเป็นพระอระหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นทรงบัญญัติดีแล้วเพื่อบรรลุกุศลเป็นชนดูก่อนท่านผู้เจริญทั้งหลายภิกษุในพระธรรมวินัยนี้พิจารณากายในกายเป็นภายในมีความเพียรมีสัมปชัญญะมีสติกำจัดอภิชาและโทมนัสในโลกอยู่เมื่อภิกษุพิจารณากายอยู่ ยอมตั้งจิตไว้โดยชอบผ่องใสโดยชอบในกายานุปัสสนานั้นยังญาณทัศนะให้เกิดในกายอื่นภายนอกญาณทัศนะในที่นี้หมายถึงความรู้และความเห็นตามความเป็นจริงอาจเรียกว่ามัรคญาณอลยญาณสัพพัญยุตยญาณปัจเจเวคณาญาณหรือวิปัสสนาญาณก็ได้ ภิกษุพิจารณาเห็นเวทนาในเวทนาเป็นภายในมีความเพียรมีสติสัมปชัญญะกำจัดอภิชาและโทมนัตในโลกอยู่เมื่อภิกษุพิจารณาอยู่ย่อมตั้งจิตไว้โดยชอบผ่องใสโดยชอบในเวทนานุปัสสนานั้นยังยานัทสนะให้เกิดในเวทนาอื่นภายนอกภิกษุพิจารณาจิตในจิตเป็นภายในมีความเพียร มีสัมปัชัญยะมีสติกําจัดอภิชาและโทมนั์ในโลกอยู่เธอย่อมตั้งจิตไว้โดยชอบผ่องใสโดยชอบในจิตตานุกปัสนานั้นแล้วยังหยาดทัศนาให้เกิดในจิตอื่นในภายนอกภิกษุพิจารณาธรรมในธรรมเป็นภายในมีความเพียรมีสติสัมปัชัญญะกาจัดอภิชาและโทมนตในโลกอยู่ เธอย่อมตั้งจิตไว้โดยชอบผ่องใสโดยชอบในธรร ม, มนุปัสสนานั้นยังยานัทสนะให้เกิดในธรรมอื่นภายนอกท่านผู้เจริญทั้งหลายสติปัฐานสี่นี้แหลอันตระผู้มีพระภาคผู้รู้ผู้เห็นเป็นพระอาหารหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นทรงบัญญัติแล้วเพื่อบรรลุกุศล สนังกุมารพรมได้กล่าวอีกว่าดูก่อนท่านผู้เจริญทั้งหลายบริขารแห่งสมาธิเจประการนี้อันพระผู้มีพระภาคทรงบัญญัติดีแล้วเพื่อความเจริญเพื่อความบริบูรณ์แห่งสัมมาสมาธิบริขารแห่งสมาธิในที่นี้หมายถึงบริวารหรือองค์ประกอบของมรรคสมาธิบริขารแห่งสมาธิเจประการคือสัมมาทิฏฐิ สัมมาสังกัปปะสัมมาวาจาสัมมากัมมันตะสัมมาอาชีวะสัมมาวายามะและสัมมาสติความที่จิตตั้งมัน่นแวดล้อมด้วยองค์เจตนี้แหละระผู้มีพระภาคตรัสว่าสัมมาสมาธิอันเป็นอริยะมีอุปนิสัยดังนี้บ้างมีบริขารดังนี้บ้างดูก่อนท่านผู้เจริญ สัมมาสังก er ัปปะย่อมเพียงพอแก่บุคคลผู้มีสัมมาทิฏฐิสัมมาวาจาย่อมเพียงพอแก่บุคคลผู้มีสัมมาสังกัปปะสัมมากรรมันตะย่อมเพียงพอแก่บุคคลผู้มีสัมมาวาจาสัมมาอาชีวะย่อมเพียงพอแก่บุคคลผู้มีสัมมากรรมันตะสัมมาวายามะย่อมเพียงพอแก่บุคคลผู้มีสัมมาอาชีวะ สัมมาสติย่อมเพียงพอแก่บุคคลผู้มีสัมมาวายามะสัมมาสมาธิย่อมเพียงพอแก่บุคคลผู้มีสัมมาสติ ส, ส, Wil ส, ส, สัมมายานะย่อมเพียงพอแก่บุคคลผู้มีสัมมาสมาธิสัมมาวิมุตย่อมเพียงพอแก่บุคคลผู้มีสัมมายานะดูก่อนท่านผู้เจริญก็บุคคลเมืมม่อกล่าวถึงข้อนั้นโดยชอบ พึงกล่าวว่าพระธรรมอันพระผู้มีพระภาคตรัส ด, ดีแล้วอันบุคคลพึงเห็นเองไม่ประกอบด้วยการควรเรียกให้มาดูควรน้อมเข้ามาในตนอันวินยุชนพึงรู้เฉพาะตนฉะนั้นประตูพระนิพพานเปิดเพื่อท่านแล้วบุคคลเมื่อกล่าวโดยชอบกับบุคคลผู้ประกอบด้วยความเลื่อมใสอย่างแน่นแฟนในพระสัมมาสัมพุทธเจ้า พึงกล่าวว่าพระธรรมเป็นเช่นนั้นดูก่อนท่านผู้เจริญชนเหล่าใดเหล่าหนึ่งผู้ประกอบด้วยความเลื่อมใสอย่างแน่นแฟ้นในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ประกอบด้ศีลที่พระอริยะเจ้าชอบใจชนเหล่านี้เป็นอบปติกะอันพระผู้มีพระภาคทรงแนะนําแล้วในธรรมชาวมคตผู้เลื่อมใสเกินสองล้านสี่แสนคน ทมกาละล่วงไปนานแล้วเป็นพระโสดาบันเพราะสิ้นสังโยศสามอย่างมีความไม่ตกตาเป็นธรรมดาเป็นผู้เที่ยงมีอันจะตรัสรู้ในเบื้องหน้าข้าพเจ้ากลัวการพูดเท็จจึงไม่อาจคำนวณได้ว่าในชนเหล่านี้มีพระสกะทาคามีเท่าไหร่และหมู่สัตว์นอกนี้บังเกิดด้วยส่วนบุญนั้นด้วยหรือไม่ ถ้าแต่พระองค์ผู้เจริญสนังกุมาระโภมได้กล่าวเนื้อความนี้เมื่อสนั่งกุมาระรภมกล่าวเนื้อความนี้อยู่ความดําริ์แห่งใจเกิดขึ้นแก่ท้าวเวสวรรณมหาราชอย่างนี้ว่าดูก่อนท่านผู้เจริญนางอัศจรรย์หนอไม่เคยมีมาหนอจากมีพระศาสดาผู้ยิ่งเห็นป่านนี้จากมีการแสดงธรรมที่ยิ่งเห็นป่านนี้จากปรากฏการบรรลุคุณวิเศษที่ยิ่งเห็นป่านนี้ ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญครั้งนั้นสนังกุมารพรมทราบความดำริแห่งใจของท้าวเวสวรรณมหาราชด้วยใจแล้วได้กล่าวกับท้าวเวสวรรณมหาราชว่าท่านเวสวรรณมหาราชในอดีตการก็ได้มีพระศาสดาผู้ยิ่งเห็นป่านนี้ได้มีการแสดงธรรมที่ยิ่งเห็นป่านนี้ปรากฏการบรรลุคุณวิเศษที่ยิ่งเห็นป่านนี้มาแล้วถึงในอนาคตตการ ก็จะมีพระศาสดาผู้ยิ่งเห็นปานนี้จะมีการแสดงธรรมที่ยิ่งเห็นปานนี้จากปรากฏการบรรลุคุณวิเศษที่ยิ่งเห็นปานนี้ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญสนางกุมารพรมได้กล่าวเนื้อความนี้แก่เทวดาชั้นดาวดึงเท้าเวสสุวรรณมหาราชตรัสบอกเนื้อความนี้ที่พระองค์สดับมาต่อหน้าสนางกุมารพรมผู้กล่าวแก่เทวดาชั้นดาวดึง ในบริษัทของพระองค์ชนวสพายักษกราบทูลความนี้ที่ตนสดับมาต่อหน้ารับมาต่อหน้าแห่งท้าวเวสสุวรรณมหาราชผู้ตรัสในบริษัทของพระองค์แก่พระผู้มีพระภาคพระผู้มีพระภาคทรงรับความข้อนี้มาต่อหน้าชนะวสพายักษและทรงทราบด้วยพระองค์เองแล้วตรัสบอกแก่ท่านพระอานนท์ ท่านพระอานนท์ได้ฟังข้อความนี้มาตอบพระพักรับข้อความนี้มาตอบพระพักพระผู้มีพระภาคแล้วจึงบอกแก่ภิกษุภิกษุณีอุบาสกอุบาสิกาพระมรรจา น, นี้นั้นในที่นี้หมายถึงไตรสิกขาคือศีลสมาธิปัญญาพระมรรจา น, นี้นั้นบริบูรณ์แพร่หลายกว้างขวางชนเป็นอันมากทราบชัดเป็นปึกแผ่น จนเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายประกาศดีแล้วดังนี้แลจบชนะวสภสูตร